ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเชิงทําจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอัตกถาโกนทัญนยสุขคือดังที่ได้บอกไว้ในวันก่อนว่าเรื่องราวของพระอัญญาโกนทัญญานั้นเราไม่ค่อยรู้คือรู้ในช่วงต้ น, ตน แต่หลังจากที่ท่านไปเผยแผ่ศาสนาที่หมู่บ้านโทนวัตุนำปุณณามันตานีบุตรหลานชายอ้อยออกบวชจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหานไปแล้วจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ไปอยู่ทางด้านป่าหิมพผ่าน ไกรสะชื่อมันทากินีโบกรณีเป็นเวลาถึงสิบสองปีแล้วก็ในทินของช้างสกุลสัตรทันคือบางแห่งเราจะพบว่าเขาเรียกว่าสัจฉัตรทันบางแห่งเรียกว่ามันทากินีโบกรณี ถามว่าทำไมท่านพระเทราจึงต้องไปอยู่ในสถานที่นั้นตันฑ ก, กถาาจารย์ก็เล่าให้เหตุผลว่าเพราะกะรรในวิหารเพราะท่านเป็นพระหมหาสาวกพุ่มปุ่ม ม, มีบุญพระคุณั้งท่านแผ่ไปภายในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใ น, ม น, กกนหมื่นจักรวาลเรือนพระคุณของพระพุทธเจ้า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปยังสำนักของพระตถาคตพอทำการบูชาด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นแล้วคิดว่าท่านเป็นพระสาวกผู้แทงตลอดทําเลิศแล้วเข้าไปบูชาพระเทวถัตไปเป็นอยู่ธรรมดาของผู้ที่มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ต้องการที่จะฟังธรรมกถาเป็นหลักหรือว่าปฏิสันถานเห็นป่า น, นี้พระเทพราเป็นผู้หนักในวิหารคือธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่เพเรนั้นทำนั้นของท่านจึงปรากฏเป็นประหนึ่งเนื่นช้าเพราะท่านเป็นผู้เคารพในวิหารดังว่ามานีท่านจึงไปอยู่ในที่นั้น อีกเหตุหนึ่ง่คนอื่นในเวลาพิคคาจา์ประสมค์ั้งปวงย่อมไปออกบินธบาตตามลำดับพรรษานี่เราก็ได้ประเด็นนะคื อ, อพระตามปกติในสมัยปัจจุบันเนี่ยคือบินธบาตไม่ได้เดินเป็นแถวอย่างในสมัยโบราณ วนจะเดินตามระดับพรรษาไม่ได้ไม่รู้ใครจะออกไปในทางใดแต่ว่าส่วนพระกรรมฐานเนี่ยคือท่านอยู่ในชินที่ห่างไกลกับหมู่บ้านแล้วก็มีทิศทางที่จะไปสู่หมู่บ้านกี่เส้นทางก็ตามท่านก็เดินไปเป็นหมู่ๆไปเรียงตามระดับพรรษาในการเดิน ใครบวดก่อนก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็องค์บวชต่อมาก็เดินตามไปทุกคนจะรู้จุดที่ควรจะเดินของตัวเองพานก็ในเวลาแสดงธรรมเนี่ยพอพระพุทธเจ้าประทับบนพุทธอาสนะพัฒมเสนาบดีสาริบุตร ก็ประทับเบื้องขวาพระหัตของพระพุทธเจา้าพระโมคคัลลานะมาถึงก็จะนั่งเบื้องซ้ายพระ ส, ส่วนเบื้องหลังพระสาวกทั้งสองนั้นก็ป่วนสนาไว้สำหรับพระอัญญากนทันย์จะนีภิกษุที่เหลือเนี่ยนั่งห้อมล้อมท่านพระสาวกทั้งสองท่านบวชทีหลัง แต่ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ภารกิจในพระาศาสนาเนี่ยท่านก็เป็นอัครสาวกก็ถือว่ารองจากรา พ, ดดา 1, 2. พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองพระสาวกทั้งสองมีความเคารพในพระเทระเพราะว่าเป็นรุ่นก่อนแต่ว่ากันตามความจริงก่อนเป็นเดือนนะไม่ใช่ก่อนเป็นปีเพราะว่าถ้าเรานับเวลาแล้วก็ รัญญาโขนธัญญาก็บวชในวันเพน็ญเดือนแปดปสาลิบุตรพระโมคคัลลานานั้นบวชก่อนจะถึงวันเพน็ญเดือนสามเนี่ยสิบห้าวันพระโมคคัลลานะบรรลุมรผลเป็นอรหันต์ก่อนวันมาฆาตเจ็ดวันปสาลิบุตรก็บรรลุอรหันต์เป็นอรหันต์ใน ตอนเย็นตอนบ่ายคล้อยลงตอนกลางคืนก็เป็นบัหมากค่ะแต่ความเคารพของพระเนี่ยก็จะให้ความสําคัญขนาดว่าบวชคู่กันองค์หนึ่งนั่งด้านขวามือของพระอุปชายะคือของพระประธานนะฮะองค์นึงอยู่ทางซ้ายมือ บวชเสร็จแล้วในองค์ที่อยู่ทางขวามือถือว่ามีอุปสมากกว่ามีภรรษามากกว่าองค์ที่รองลงมาก็ต้องให้ความเคารพที่นี้พระเถระทั้งสองนั้นท่านมีความรู้สึกว่าพระากรัญญาท่านแทงตลอดทำมันเลิศแล้วก็เป็นพระเถระผู้เท่าพิสูจทั้งหลายสําคัญพระเถระเหมือนกับเท้าหมหาพรมคือยำเกรง แล้วเหมือนกองไฟคือไม่กล้าเข้าใกล้แล้วเหมือนการอัศรพิธคือถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เหมาะไม่ควรระบาปมากเหมือนก็ถูกจกด้วยอัศรพิธนั่งอาศานะในที่ใกล้ก็ละอายเรยกรงใจพระเทระท่านก็เกิดความคิดคิดด้วยความสงสารพิสุเหล่านั้นว่า ท่านองเดียวและทำให้เพื่อนเขาลำบากก็มาพิจารณาเห็นว่าพิสูจน์เหล่านี้บําเพ็ญบา ร, รมีสิ้นอสงไขยกระแสกับคือในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบา ร, รมีมาสีอสงไขยกระแสกับพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยสองอสงไขยกระแสกับ พระมหาสาวกนั้นไม่ถึงสองแต่ว่าใกล้ไปแล้วก็พระหารเราอื่นก็คือหนึ่งอสงไขยกแสนกับมันเป็นบา ร, รมีกัมนมานานๆท่านนะี้ทีนี้แต่ละรูปเนี่ยมันก็ต้องเคารพจำเกรงต่อพระเถระที่ก็สร้างบา ร, รมีมาก็เพื่อนั่ง ก็เรียกว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าบันนี้นั่งในอัศนะใกล้จึงจำเกรงละอายต่อเราเราใจพิสูจน์เรารเนั่งอยู่โดยความสมาํานานพระเทรดาก็ตัดสินใจเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแ ล, ล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระอง์ปรารถนาจะอยู่ในชนบทหลวงพ่อเจ้าก็ทรงทราบอัธยาศัยดี แล้วก็ส่งประทานพุทธานอนุญาตพระพระเทรซาเป็นผู้ที่เคารพในเจนาสนะหมายความมาที่อยู่ที่อาศัยนี่ท่านจะดูแลอย่างดีขัดถูชำระทําความสะอาดปัดกวาดอย่างดีมันเป็นสํานึกคุณของอาสนะคื อ, อลืมมาจิตใจที่ละเมียอละไมเนี่ยการสํานึกคุณจะสํานึกคุณหมดเลยดีนน้าลมไยอากาศ เพราะแต่ละอย่างนั้นมีคุณอุปการต่อเราตลอดเวลาเราก็จะสำนึกถึงคุณของสถานที่เหล่านั้นเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากประทับที่ภายใต้ต้นอัศตรรษ์คือต้นโพอยู่เจ็ดวันนะนะหนึ่งสัปดาห์แล้วไปประทับที่อนิมิตเจ ด, ดีคือ เพ่งมองที่ต้นอัศตระพฤกด้วยความสำนึกคุณว่าพระองค์ได้อาศัยสถานที่นี้นั่งว่าเป็นเพียรแล้วก็ตรัตรูอนุตตรสมาสัมโพธิญาณได้เพ่งดูด้วยความสำนึกคุณตลอดเวลาเจ็ดวันเหมือนกันแต่ว่าคงทำอยู่เรื่องอื่นด้วยนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ นี่คือจิตใจที่มันประณีตคนทั่วไปมันก็คิดไม่เคยออกหรอกแล้วทำไมจะต้องให้ความเคารพต่อดินน้าลงฝออากาศทําไมจะต้องสํานึกคุณต่อธรรมชาติเหล่านี้ต่อธาตุทั้งหกตธาตุาทั้งห้านะโดยเฉพาะดินน้ําลงฝอยอากาศเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาจากเขาเราอาศัยเขาจึงมีร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่มีดินน้ําลงฝออากาศเราก็เป็นกายขึ้นมาไม่ได้ กายที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังอะไรก็ตามแต่สรุปว่ามาจะาดินน้ำลมแฟอากาศแล้วก็วิญญาณนธาตุกับฟิจิตแล้วในแต่ละวั น, นชีวิตเราก็ผูกพันอยู่กับธรรมชาติต่า น, นี้มี น, น้ำลมไฟอากาศนั่นเองแล้วจากนั้นท่านก็ถือบาจิวนไปยังริงสะมันทากินี ใน s ะบกณีทินสกุลช้างฉัตรทันเมื่อการก่อในโขลงช้างสกูลประเสริฐแปดพันตัวเคยจะนานการปรนิบัติรพระประเจเกพุทธเจ้าทั้งหลายอเอปิดพระเถระก็คิดบุญญาเขตของเรามาถึงแล้วจึงเอาเล็บเขี่ยที่จงกลมเอาย่าออกนำกิ่งไม้เครื่องกีดขวางจัดแจงที่อยู่ของพระเถระ ธรรมวปฏิบัติประชุมปรึกษาการตั้งเวรไว้ว่าถ้าเราจะเสียสละว่าผู้นี้กระทำกิจที่ควรทำแก่พระเทหละไซพระเทหละทั้งชี่มีบาดเปล่าจักไปเหมือนไปบ้านญาติเป็นอันมากโดยเวราใดเราจะปรนิบัติในเวลานั้นๆถึงเมื่อช้างเมื่อเวรของช้างหนึ่งมาถึงข้าว นะพวกนอกนั้นก็ไม่ควรละเลยหมายความว่าตกลงเป็นกติกากันว่าให้ช่วยกันดูแลรับผิดชอบต่อพปฏิระรแต่เรานึกดูว่าช้างแปดพันนะฮะปฏิระมีรูปเดียวแล้วท่านอยู่สิบสองปีท่านอยู่สิบสองปีก็หมายความว่าช้างดูแลอยู่ก็วันละเชือกว่าวันละตัวอ้นี้เป็นเรื่องปราตะถาจานทล่านะฮะ ก็เล่าก็น่าจะลองทําความเข้าใจคือศึกษาดูเเราก็ไม่เคยไปป่าหิมพานต์พระตถาจารย์ถนัดจะเคยไปถนัดจะเคยเห็นแล้วท่านก็เล่าเราจะถามว่าเดี๋ยวนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่เปล่าก็คงไม่เหมือนเดิมนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วพระเวลาทั้งสองพหรอกว่าปีพระตถ า, ถาจารย์ท่านเล่าค่อนข้างพิสดาร มันทำนองคล้ายๆกับจุลพลมหาพลน่ะคือป่าเล็กป่าใหญ่ในเวสันดอนท่านพันนาธรรมชาติแวดล้อมป่าใหญ่ป่าเล็กป่าเล็กก็สารพัดเรื่องป่าใหญ่ก็สารพัดเรื่องเป็นธรรมเทศนาสองกันคือคือแนวตรงนี้เป็นแนวที่น่าคิดนะแต่ท่านจะอธิบายธรรมชาติเนี่ย ไม่สวยมากมันมันเกิดเป็นภาพพจ์ขึ้นมาเป็นภาพพจนขึ้นมาก็ทาให้เราเห็นเห็นตามที่ท่านอธิบายและบางครั้งมันมันยิ่งใหญ่มันสง่า ง, งามมากแต่ถามว่าเราเคยเห็นตัวอย่างไหมเราก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของพระอาราหันต์เรายังไม่เคยเจอพระหรันเราก็ไม่ได้เห็นเรื่องตรง น, นั้น แต่ที่ท่านเล่าเนี่ยท่านบอกว่าช้างที่อยู่เวรตั้งน้ำบ้วนปากไม้สี่ฟันทมวัดพระเทราะแต่ชา้าสูเหมือนกับคนทำหรือถ้าตามตัวอักษรที่เราจะเห็นว่าช้างทำงานเหมือนกับคนทำเพราะว่าในสายสกุลของเขาเนี่ยเคยปฏบิบัติบำรุงพระประเจกับพุทธเจ้ากันมาเพราะ ม, มันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่า พระประเจอกับพุทธเจ้าก็แต่งตัวแบบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่แหละพอช้างเห็นก็นึกได้ทันทีว่าบุญจะเขตมหาเราแล้วคือเขตแต่งบุญในมหาเราแล้วแล้วท่านอธิบายถึงลักษณะของสระบกณีท่านบอกว่าก็สระบกนีมีชื่อนันทากินีกว้างห้าสิบโยะนั้นไม่มีสล า, าย หรือจอกแหนในที่ประมาณยี่สิบห้าโยชน้ำนั้นใสเหมือนสีแก้วผลึกต่อแต่นั้นมีปถุมขาวแผ่ขยายไปถึงกึ่งโยชนในแม่น้ำแค่ยืนคือล้อมสะห้าสิบโยชนจากนั้นอันดับแรกมีดงปถุมแดงขนาดใหญ่จากจากนั้น ดงกุมมุดแดงถัดจากนั้นดงกุมุดขาวถัดจากนั้นดงอุบลเขียวถัดจากนั้นดงอุบลแดงถ้าจากนั้นข้าวสาลีแดงมีกลิ่นหอมจากนั้นผลเกิดแต่ต้นไม้เถามีรสอร่อยมีฟักทองมีน้ำเต้าฟักเขียวเป็นต้นถัดจากนั้น ดงอ้อยแผ่ไปถึงกึ่งโย์ในดงอ้อยนั้นมีอ้อยแต่ละต้นขนาดเท่าต้นหมากตัดจากนั้นก็ดงกล้วยซึ่งมีคนกินผลสุกถึงสองผลย่อมลำบากหมายความใหญัมากขนาดว่าคนคนหนึ่งนี่กินให้หมดสองผลนี่สาหัสเลยกินได้ลำบากมากตัาจากนั้นดงขหาุนมี ผลขนาดตุ่มขนุนมีผลขนาดตุ่มนะฮะไอ้ตุ่มของท่านในขนาดไหนเราก็ไม่รู้น ะ, ะแต่ถ้าตุ่มประเทศไทยเราแล้วก็ยุ่งประทัน แ, แต่นั้นก็เป็นดงมะม่วงป่าชมพู่ดงมะขิดโดยย่อดในสะนั้นขึ้นชื่อว่าต้นไม้ที่กินได้ไม่พึงกล่าวว่าไม่มีหมายความว่ามีไม้ทุกชนิดที่คนกินได้จำนวนอย่างนี้จะอยู่ในวันอคดี ของอินเดียนะฮะอย่างในอินเดียนี่เขาบอกว่ามหมาปารตาตยุทธเนี่ยในเรื่องมหมาภารตาตยุทธมีทุกอย่างถ้าท่านหาที่ไหนไม่เจอให้มาหาที่มหมาภารตาตยุทธแตถ่ถ้าท่านหาที่มหมาภารตาตยุทธแล้วไม่เจอบวย ก, การที่จะไปหาที่อื่นก็จะไม่เจอไม่มี จำนวนนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้คือในแง่ของความเป็นจริงก็คงจะมันมีวงจํากัดอยู่ในการพูดก็หมายความาว่าผลไม้ที่ท่านรู้จักก็ไม่มีใครที่จะรู้จักผลไม้หมดทั้งโลกหรอกผลไม้กินได้ที่ท่านรู้จักนั้นมันมีอยู่ในป่าตรงนี้ที่ใกล้สาบบุกนีเนี่ยแล้วก็บอกว่า ในเวลาดอกไม้บานลมหอบละอองเกสรเป็นเกลียวไปไว้บนใบกอประทุมละใบกอประทุมนั้นหยาดน้ำตกเป็นหยดดหยดหยดยดยดสุกด้วยอาชิตเผาย่อมเหมือนกับน้ำตาลเขี้ยวนี่คือโบกคระมะทุคคือน้ำหวานน้ำหวานบนใบบัว น้ำหวานที่ที่ที่มันหลอมรวมกันโดยอาศัยกลิ่นของดอกไม้เกสรของดอกไม้น้ำหวานในดอกไม้เนี่ยช้างทั้งหลายนำโปกระมะทุนั้นมาทุ ก, ก็คือน้ำผึ้งนั้นมาถวายพระเถระรากบัวขนาดเท่าหัวไถแม่รากบัวนั้นช้างทั้งหลายก็นำมาถวายหน้าบัว มีขนาดเท่ากรองและก็บัวใหญ่ใบบัวใหญ่งาบัวนั้นแต่ละข้อมีน้ำมันประมาณหม้อนหนึ่งงาบัวนั้นช้างทั้งหลายก็นำมาถวายช้างทั้งหลายปรุงมเมล็ดบัวกับน้ำตาลกรวดถวายก็ยังนึกไม่ออกนะช้างทำได้ยังไงแต่ก็ก็ต้องเชื่อตามทันว่ากันลกันคือฟังในฐานะอย่าอย่าลืมวันนี้คือวันอนะันดี เการพูดด้วยแรงพลังของศรัท ธ, ธาและวัตณคดีท่านจะเคยไปหรือไม่เคยไปเราก็ไม่รู้เพราะว่าพระตถาจารย์นี้ก็คือพระพุทกุศาจารย์ท่านเป็นชาวเมืองนาลันทาแล้วก็ศึกษาแตกสารในประเทีบิโดกแล้วก็ไปแปรนะฮะแปรกระรวบรวมเรียบเรียงอัตกถาอยู่ที่ประเทศลังกา ก็พอสอเกือบพันเลยนะฮะต่อทอเกือบพันหมายความเหตุการณ์นี้ที่จริงห่างจากยุค ข, ของท่านเนี่ยเป็นพันปีแต่คงจะมีการเล่าสืบต่อกันมาประสบการณ์ในป่าหิมพานนั้นก็หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านองมอีประสบการณ์แล้วท่านก็ได้อพิญญาก็สามารถจะหาประสบการณ์จากสถานที่เหล่านั้นได้แต่ที่นะ่ะ สำคัญก็คือว่นโตเลยแต่ละอย่างนขนาดอ้อยเนี่ยขนาดเท่าต้นหมากอ้อยนี่ยต้นขนาดเท่าต้นหมากมันคนนึกไม่ออกแต่ถ้าเราดูผลไม้บางอย่างเวลานี้มันก็แปลกขึ้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปผสมเข้าก็ทำให้ผลไม้มันโตผิดปกติโตจนงงนะฮะ คยเรียกว่าไม่เคยเพบเคยเห็นเพราะฉะนเรื่องอดีตมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเพบเคยเห็นเหมือนกันเพียงแต่ ว, ว่าบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ในป่าหิมพผ่านมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีคนไปทำลายมีแต่สัตว์สัตว์มันก็กินจำกัดนะฮะไม่ได้กินอย่างมนุษย์กิน กินร่างกินพรานอย่างมนุษย์กินเนแต่ว่าสัตว์มันก็กินอย่างจำกัดแลวท่านก็บอกว่าเทพบุตรชื่นนาขทันตะอยู่นักไรลาสปเทระไปที่ประตูวิมานของเทพบุตรนั้นบางครั้งบางคราวเทพบุตรนั้นเอาเข้าป่ายาตไม่มีน้ำที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่และผงน้ำหวานบนใบบัวบรรจุเต็มถวาย จะยินว่าครั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าปนามักัดสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าเราท่านได้ถวายสลากน้ำนมพร้อมด้วยเนยใสหอมระรื่นตลอดสองหมื่นปีคือก็บอกว่ายุคพระพระกัดสปะสมมาสมพุทธเจ้านี่คนอายุยืนสองหมื่นปีพอมายุคพระพุทธเจ้าเราก็เหลือแค่ร้อยปีอายุขไขนี่ก็เหลือแค่ร้อยปี ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างนั้นทุกแห่งนะคือบอกว่าสองหมื่นปีทุกแห่งเพราะเทพบุตรตนนี้เราจะเห็นว่าเขาก็เป็นอุปสมาก่อนในศาสนาพุทธแต่พระาศ า, าสดาทรงบรณามกัตสปปพอันก็เมื่อเห็นพระเถระก็เกิดสตาริ่มสายแบบพวกช้างจึงเคยทะนุบำรุงพระปฏิยกรรธเจ้ามาก่อน ในความจริงประการหนึ่งนี่คือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจากชาวพุทธฝ่ายที่เป็นคารวะหรือแม้แต่ฝ่ายที่เป็นพระมันจะต้องมีเชื้อสายอยู่ในอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นและเราจะเห็นว่าพลังของศรัทธาที่มีอยู่สะสมอยู่ภายในจิตยกตัวอย่างง่ายๆว่าวพระเจ้าตากศีลกับพระพุทธยอฟ้านี่ ทรงเป็นเด็กวัดทรงเป็นสามเณรและทรงเป็นพระมันก็สะสมสะสมสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้แต่วันหนึ่งท่านเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมามนก็มองย้อนอดีตว่าเรามาจากไหนมันก็เห็นว่ า, าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือาศาสนาธรรมในพระพุทธศาสน า, ศาที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของท่านสมัยโบราณสมัยนั้นก็พวกฉดกนี่จะเยอะมาก แล้วก็พวกเกี่ยวกัอเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสององค์นี้จะมีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนามากมันก็สนองคุณพระศาสนาพรนชชางก็ดีเทพบุตรก็ดีนะมันก็สะสมสะสมอยู่ในจิตสันดานกับทันอันนี้คือของจริงแหละแต่ส่วนเรื่องที่เล่านั้นอาจจะยิ่งไปย้อนไปก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฟังไว้แล้วก็ ท่านก็บอกไ้เหตุนั้นโภชนาจึงเกิดขึ้นแก่ท่านด้วยอาการอย่างนี้พระเทราอยู่อย่างนี้ตลอดสิบสองปีสวดดูยุสังขารของตนรู้ว่าสิ้นแล้วคิดว่าเราจะไปนิพพานที่ไหนขอไปยังสำนักของพระภูมิราภาคโดยคิดว่าสร้างทั้งหลายบำรุงเราอยู่สิบหกปีกระทงกิจที่ทำได้ยากสิบสองปีนะฮะกะทกิจที่ทาได้ยาก เราจะขออนุญาตพระศาสดาไปนิพพานในที่ใกล้ๆช้างทั้งหลายนั่นแหละเรือนั้นท่านจึงกล่าวว่าเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ประกาศชื่อเพราะเหตุใดเพราะคนบางพวกมีจจำพระเจ้าได้บางพวกจำไม่ได้แต่ว่าได้ยินชื่อ บรรดาคนเหล่านั้นพระเทราคิดว่าคนเหล่าใดไม่รู้จักเราจักคิดร้ายว่าพระแก่สีสาขาวโพลนหลังโกงสีโครงคดลูกมีทมปฏิสันฐานกับพระศาสดาก็จะเกิดหมันไส้ก็ได้นี่เพราะเราไม่รู้จักแล้วจักคิดร้ายคนเหล่านั้นก็จักเต็มในอบายคือจะตกนรก แต่ว่าคนเหล่าใดที่รู้จักเราจากเลื่อมายว่าเป็นมหาสาวกปรากฏในเหมือนจักรวาลเหมือนพระศาสดาคนเหล่านั้นจะเข้าถึงสวรรค์คือการทําจิตทั้เลื่อมใสกับมีจิตคิดประทุษร้ายต่อพระอระหรันเนี่ยทั้งบาปทั้งบุญเนี่ยนะทั้งบาปทั้งบุญเพราะนึ่งเขาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงในเรื่องที่ไปล่วงละเมิดสมณชีพราหมณ์ เพราะจริงๆเราไม่รู้คุณของข้างในของท่านคุณกับท่านเป็นยังไงในสมัยเป็นเด็กเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังมีพระิระรูปหนึ่งชื่อปานในการรับรู้ของชาวบ้านคล้ายๆกับท่านไม่ค่อยเต็มเต็งบางทีท่านก็ไป่จับปลามาปล่อยในแม่น้ํา ปลาติดติดอยู่ในหนองแห้งๆเนี่ยท่านก็จับมาปล่อยบางทีในบาทของท่านเนี่ยมีผลไม้จากทางเหนือแล้วก็มีกุ้งต้มมีปลาอะไรร้อนๆนะฮะใหม่ๆตักบาตเด็ดแล้วก็ท่านมายืนตักบาตพระริมถนนแจกพระยืนริมถนนก็มีงานศพอะไรท่านก็ขึ้นไปสวดด้วย แต่ว่าท่านไม่รับถวายอะไรนะขึ้นไปสวดด้วยไปในที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนเมาเหล้าสี่คนมันนั่งอยู่ในงานนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเรือนพอเห็นพระเทรากษขึ้นไปสวดแล้วก็ลงมามันจับท่านจับท่านก็คว่มครกตามข้าวเนี่ยให้นั่งบนกค้นครกแล้วคนหนึ่งจับขาท่านคนหนึ่งจับมือไพร่หลัง คนหนึ่งก็อ้าปากท่านคนหนึ่งก็เอาลาบกรอกท่านไม่ว่าอะไรหรอกแต่ก็ทําอยู่พักหนึ่งท่านบอกว่าพอแล้วมันก็ปล่อยพระเิรา ก, ก็ไปปรากฏ ว, ว่าตกกลางคืนนี่หลังจากนั้นไปไม่เท่าไหร่หรอคนจับขาเนี่ยขาเป็นน้มพึกเป็นอ้มพาดคนจับมือเนี่ยมือเป็นอ้มัพาด คนทางปากเนี่ยอาปากอุปากไปเข้าคนที่กรอกเหล้าในในคอเนี่พองลวกลงไปถึงข้าไหนตอนนั้นเขาก็ทึ่งกันว่าลุงพ่อเป็นใครแล้วปรากฏว่าตอนท่านมรณะภาพเนี่ยท่านไปจัดที่ที่ฝังศพที่เผาศพท่านเองอะ่ะลางเอาไม้ไม้ปากสี่ต้นแล้วก็วางวางแล้วก็นอนอยู่ข้างบน ก็วางไม้บนข้างบนทั้งก็นอนตอนก็ไปเจอในท่านนอนท่านนอนอยู่อย่างงั้นแล้วเขาก็รู้ว่าไปเล่นอขไฟแล้วแต่มันสายไปหมดเนะฮะสายไปหมดเป็นเป็นการเบียดเบียนภรรยะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจิตที่กรอบด้วยกรุณาของพระเวะเนี่ยเป็นความกรุณาชิ่ยิ่งใหญ่มากถามมาไม่หอบมาได้ไหม ถ้าไม่ได้เหาะมาเนี่ยคนจะไม่เห็นความสาคัญและในขณะเดียวกันก็ต่างอย่างที่ท่านบอกนี่แหละกระแก่สีราะขาวโพรงหลังโกงสีโครงคดรูปนี้ทำปฏิสันฐานกับประสาสัณดาถ้าท่านเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะถูกขัดขวางมาตั้งแต่ต้นแล้วมันจะเป็นบาปนี่คือจิตที่อนุเคราะห์โลกเพราะงั้นเมื่อ ท่านทำอย่างนี้ก็เป็นการปิดทางอบ า, ายเปิดทางสวรรค์สําหรับสัตว์เหล่านั้นยึ่นประกาศชื่อพอประกาศชื่อปั๊บทุกอย่างเงียบทุกอย่างสนใจในพระเถราทันทีเพราะชื่อบันดังเหลือเกินดังเคียงคู่มานะย่าลืมาเคียงคู่มากับพระพุทธเจา้าพระพูดถึงพระพุทธเจา้าก็ต้องพูดถึงพระญาโกณทันย์เพราะว่าเป็นพระหาน ร, รูปแรมพระ อริยาสาวกรูปแรกเป็นสังขรัตนะรูปแรกที่บังเกิดขึ้นในโลกก็ต่อไปท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสัสรู้สัจสี่ก่อนพระเถระสัสรู้ภายหลังเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าพุทธานุพุทธะอนุพุทธะคือรู้ตามพุทธะคือพระพุทธเจ้ารู้ตามการสัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีความเพียรได้แก่วิเวกสาเรื่องสมก็คือวิเวกทางกายนะครัวิเวกทางจิตวิเวกจากกิเลสคือสงัดจากทางกายทางจิตแล้วทางกิเลสกด็ด้วยสมาธิดยญาณนะโดยสมาธิโดยญาณโดยสถานที่อยู่แล้วก็ได้วิชาสามก็คือการเลืกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็อันสวักยานฉลาดในเจโตปริยานการรู้ใจถ่ายใจเข้าใจความคิดจิตใจของบุคคลอื่นแล้วก็ท่านพูดถึงอภินยาสี่ในอภินยาหกอีกสองพิญญานอกนี้แม้ไม่ได้กล่าวถึงก็จริงพระเตระก็ได้พิญญาหก เปิบางทีก็พูดแค่ข้อเดียวก็แล้วแต่ก็จะเอาประเด็นตรงไหนล่ะนะการมาทางอากาศอย่างนั้นเป็นมโนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอิทธิวิธินะฮะเป็นอิทธิวิธเป็นอภินยาข้อแรกเลยก็จำเป็นที่จะต้องแสดงดังกล่าวพระเทรารู้ว่าบริษัทประชุมกันจึงทำปฏิสันฐานกับพระศาสดาแล้วขออนุญาตการบปนิพพาน ว, ว, ถถ ว, ญญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอายุสังขารของข้าพระองค์สิ้นแล้วข้าพระรงจากปานิพานพระบุตรีพระภาคสัตถามว่าโกนทัญญะเธอจากนิพานที่ไหนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช่างทั้งหลายที่เป็นอุปถา ข, ของข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่ทรรมแต่ยากข้าพระองค์จากปานิพานในที่ใกล้ๆช้างเหล่านั้นพระศาสดาก็ส่งประทานพุทธานุ ญ, ญาต เราจะเห็นว่าพระอรหันต์ใท่านพูดเรื่องความตายธรรมดามากเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยลาตายพระเจ้าก็ส่งอุญาตตอนพระนางมหาปชาบดีโคตมีกับภิกษุณีสากิยานีนะฮะแล้วอีกแถมก็อีกหลายองค์คือสรุปว่าห้าร้อยกว่าองค์เนี่ยท่านมากราบภูมิพระพุทธเจ้าลาไปนิพพานพร้อมกันแล้วเหะลอยกันไปบนอากาศแล้วก็ธาตุก็ร่วงลงมา กองอยู่ข้างล่างโอ้ตายครั้งเดียวนิพานครั้งเดียวมหมาสา์มากห้าร้อยขโคงก็คงอายุท่านก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหล ะ, ะนางมหมาประชาบดีโคเตมีก็ต้องแก่กว่าตอนงั้นแต่ท่านเหล่านั้นก็บวชมาพอเห็นอายุอายุมันหมดพร้อมๆกันพระอาหารหันต์ท่านจะรู้ ว่าเมื่ออายุหมดท่านก่อนนีผ่านแล่นั่นเองในการคุยกันปกติธรรมดาสำหรับคนที่เข้าถึงความจริงแห่งชีวิตแล้วมันไม่ได้มีเรื่องพิเศษอะไรพระเทวธรรมประสักสินทดพระทศสปุนแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งการเห็นครั้งนั้นเป็นการเห็นครั้งแรกของข้าพระองค์คือตอนที่โน้นน่พบพระพุทธเจ้าตั้งแต่น้นนะ่ะตั้งแต่ เราพระองค์ประสูตรมาครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายดังนี้เมื่อหมหาชนคร่าควรวญอยู่ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วออกมายืนที่ซุ้มประตูสั่งสอนหมหาชนว่าท่านหลายอย่าได้เศร้าโศกอย่าได้คร่าควรวญเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นพุทธสาวกวากว็าตามสังขารที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าไม่แตกทําลายย่อมไม่มี เมื่อหมาชนยังเห็นอยู่นั่นแหละก็เหาะขึ้นไปบนเวหาลงที่ดิมฟังสะมันทากินีสงน้ไในสะบกกณนีนุ่งขมนุ่งสบงจีวอนเก็บงาเสนาสะนะเข้าผลสมาบัรสามยามยามหนึ่งยามสองพอยามสามก็ น, นิพพาน ต้นไม้ทุกต้นในหิมะวันตรประเทศได้น้มน้อมดอกขนบูชาพร้อมกับเวลาประนิพานช้างตัวข้าเวนไม่รู้ว่าปฏิรานิพานประนิพานจัดน้ำบ้วนปากและไม้จำรักฟันทำวัดปฏิบัติแต่ชา้าสู่นำของเคี้ยวและผลไม้มายืนที่ท้ายที่จงกรมแล้วก็คิดว่านี่อะไรกัน แต่ช้างนั้นไม่เห็นพระเทรศออกมาจากออกมาจากห้องจนจนพระชาิดขึ้นนะเรคิด อ, อะไรกันเมื่อก่อนพระผู้เป็นเจ้าจงกรมล้างหน้าแต่เช้าตรู่วันนี้ยังไม่ออกจากบรรณาสลาจึงเขย่าประตูกุดีและดูเห็นพระเทรากำมังนั่งจึงเหยียดงวงออกลูกครำ่ำค้นหาลมอัดสาสะปัสสะสะคือลมหายใจเข้าออก ก็รู้ว่าอศาสาสะปัสส า, าขาปเทราไปที่ผ่านแล้วจึงสอดมวงเข้าไปในปากร้องเสียงดังลั่นทั่วหิมมวันตประเทศแต่มีเสียงบรรลือเปน็นนันเดียวกันช้างแปดพันประชุมกันยกปเทระขึ้นนอนบนกระพองของหัวหน้าโขรงถือกิ่งไม้มีดอกไม้บานสะพรัง่งแวดล้อมแห่ไปทั่วหิมะวันแล้วมายังชี้ของตนตามเดิม ทา้าสกะเทวราชก็รับสั่งให้วิศณกรรมเทพบระบุบอกว่าพ่อพี่ชายของพวกเราไปนิพพานแล้วหรือถ้าเราเรียกแล้วพระเทระก็เป็นพี่ชายพี่ใหญ่ทา้าสกะนั้นสมเด็จทีหลังบรลุมรนเป็นพระโสรบันทีหลังเลยก็เรียกว่าพี่ชายยังนานมาแล้วที่เคยพูดถึง ลูกสาวขอท่านนาถบินติกาเศรษฐีท่านเป็นพระสกทาคามีก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านเรียกอนาถบินติกาเศรษฐีว่าน้องชายอะไรก็น้องชายอะไรก็น้องชายอนาถบินติกาเศรษฐีเสียใจพอลูกสาตายไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่านีเหลือเกินเสียอย่างเดียวตอนตายหลงตายไปเรียกข้าพระองค์ว่าน้องชายพระเจ้ารับสั่งว่าก็ถูกแล้วนี่ ทันเป็นพระโสดาบันต่ว่านางเป็นพระสกทาคามีอนันต์เอไอนันตวิริยเกษตรีก็ดีใจถามว่านางไปเกิดที่ไหนบอกว่าที่สวรรค์จันทรุสิทธิท่านก็เกิดปิติปรมุ่นอันนี้เราลด เ, เราจะเห็นว่ามันมันเป็นสังคมที่สร้างความ บ, บุ่นเพราะถ้าพุทธบริษัทมีความรู้สึกกันอย่างนี้รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกว่าลูกพ่อเดียวกัน โอ้ยบ้านเมืองเราน่าอยู่ขึ้นกว่านี้เยอะเลยแต่นี่ก็เอาอะไรก็ไม่ได้เอาในหลวงเป็นวันพ่อถือว่าพ่อเดียวกันได้ไหมเอาศาสนาเอาพระพุทธเจ้าเป็นพ่อถือว่าพ่อเดียวกันได้ไหมถือว่าพระแม่ธรณีเป็นแมน่แม่เดียวกันได้ไหมมาตูภูมปีตูพูมเนี่ยแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เนี่ย เราร่วมกันมาตลอดรร่วมดินน้ำลงไฟร่วมอากาศกันดินน้ำลงไฟอากาศก่อนที่เขาจะมาอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาก็เข้ากันได้ตลอดแต่พอมาอยู่ที่เรามันมีวิญญาณนะท่านแล้วเกิดเข้ากันไม่ได้ดูถูกดูมินยกตนข่มท่านกันด้วยวิธีการต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่จริง เรามองแล้วก็น่าสลดนะครับผลคำกล่าวของพระเตระเนี่ยสั้นๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นพุทธสาวกก็ตามสังขารที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าไม่แตกทําลายย่อมไม่มีมันก็ต้องแตกเมื่อแตกมันก็สงบระ ง, งับซะบ้างสังขารทั้งหลายเราไม่ต้องมีคิดเข็ยนฆ่าอะไรเรามันตายหมดอะ เราเองก็ตายคนที่เราคิดเขียนค่าก็ตายแต่ทำไมจะเกิดมาชาตินึ่งสั้นๆเนี่ยดูมสงบสงบไม่ได้อยอย่างน้อยก็อย่าปวดบ้านปวดเมืองสร้างความวุ่นวายขึ้นใครไม่เห็นตรงตัวแล้วก็ด่าแหลกเลยมันอะไรกันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะะ เราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบคำสอนที่พระเจรากร่ามันแสดงถึงพลังของปัญญาความบริสุทธิ์และความเมตตากุณาที่ยิ่งใหญ่เป็นพระวิสุณกรรมเทพประบุทธาทกาก็บอกว่าเราจั ก, กระทาศักการะเธอจงนิรมิตเรือนยอดก้าวโยอดล้วนแล้วแต่รัตนาทุกอย่าง พระิสรรมเทพบุตรก็ทำตามเถวบัญชาให้ประเทระนอนในเรือนยอดนั้นได้มอบหมายให้แก่ช้างทั้งหลายช้างเหล่านั้นยกเรือนยอดเวียนเขาหิมวั w ประมาณสามพันยน์หลายรอบพวกอากาศสเสถวดารับจากงวงของช้างเหล่านั้นแล้วก็เล่นสาธุกีฬาแสดงคาระวะ ต่อแต่นั้นวัสวลาหกเทวดาสีตะวลาหกเทวดาวาตะวลาหกเทวดาเกิดเทพเจ้าแห่งแห่งลมนะฮะแล้วก็เทพเจ้าแข่งความเย็นแล้วก็เทพเจ้าแห่งแห่ ง, แ ห, งแห่งลมนะแห่งอากาศแห่งลมแล้วก็เท้าจตุมาราชแล้วก็นับมาเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงพรหมโลกก็ เป็นเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกับตอนที่พระเทวท่านบรรลุมรคลเป็นพระสุรบัติตอนท้ายธรรมจักในข้อความมีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้พวกพรมก็ได้ให้เรือนยอดแก่เทวดาพวกเทวดาได้ให้เรือนยอดแก่ช้างทั้งหลายตามเดิมโดยลําดับด้วยประการชนีเทวดาแต่ละองค์ได้นําท่อนจันทร์ประมาณสีองค์กุลีได้มีจิตตาทานประมาณเก้ายอ พระเทวดายกเรือนยอดขึ้นสู่จิตกาธานภิกษุประมาณห้าร้อยรูปหกเขมาสาธยายตลอดคืนประรุตเถระแสดงธรรมเทวดาเป็นอันมากได้จัดสรุปตามทำวันรุ่งขึ้นเวลารุ่นขึ้นนั่นเองเทวดาทั้งหลายดับจิตกาธานเอาพระท่าที่มีสีดังมาลีตูมบรรจุผ้ากรองน้ำนำ ม, มาวางไว้ในพระหัตถ์ของพระศาสดา ในเมื่อพระองค์เสด็จออกถึงซุ้มประตูพระเวรุวันพระศ า, าสดาทรงรับผากรองบรรจุพระธาตุแล้วทรงเยียดพระหัตไปที่แผ่นดินเจดีย์เหมือนฟองเงินช้ำแรกแผ่นดินใหญ่ออกมาพระศาสดาทรงบรรจุในพระเจดีย์ด้วยพระหัตของพระองค์และท่านก็บอกว่าได้ยินว่าเจดีย์นั้นยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็ทุกวันนี้ก็หมายความวัาในยุคที่ท่านเขียนอันตกถานะคือพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระอัญญาโกณทันยะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาให้รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ประสบการณ์ของคนยุคใหม่เนี่ยมันมันไม่มีประสบการณ์เราจะไปบอกว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ได้แต่ว่ามือขนาดนี้นี่ท่านไมโกหกหรอก เราต้องเชื่ออย่างไงนว่าท่านไม่โกหกล่ะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างเด่นว่าในพระไตรปิฎกทุกตัวอักษรนะฮะคนยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติยิ่งพินิพจานาเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือยิ่งปฏิบัติจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกคือจริงทุกตัวอักษรเรารู้น้อยเท่าไหรน่นี่เราเห็นว่าจริงน้อยลง เรารู้มากขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงมากยิ่งขึ้ น, นแล้วก็จะมีสต า, าประสาธะจนถึงกระทุ่มเทชีวิตลงไปเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลก็ตามกำบางความสามารถของตนทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงทานี้ที่สุดนี้ข้อความจเจริญงอกงามไพบูรณนธรรม จึงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี